นะที่หมู่บ้านป่าไม้หมู่บ้านป่าไม้อยู่ตรงเนี้ยด้านที่ตอนตกชาวบ้านตายท่นก็ไปสวดศพแล้วก็ศพนั้นก็ตั้งมาได้วันสองวันแล้วเตรียมจะเผาแล้วนึกถึงจะเผาวันนั้นแหลนะก่อนที่จะเผาก็ก็เปิดดูนะดูศพก็เห็นอ่าศพนี่เขียวเลยนะเขียวเลย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 ตอนที่ก็เป็นคนรู้จักกันนะแต่ว่าพอกลายเป็นศพแล้วมันก็เขียวก็กลัวขึ้นมานะพอกลัวขึ้นมานี่ก็คิดไปแล้วว่านี่มันจะตามท่านมาหรือเปล่านะผีเนี่ยเดินมาถึงศาลาหน้าเดินมาถึงศาลาหน้าเนี่ยก็รู้สึกแบบเหมือนกับว่ามีเห็นใครเนี่ยไปเป็นนั่งไปเป็นนั่งอยู่ที่อ่าบันได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 ไปไม่ได้ตกใจนะโอ้ผีมาดึงแล้วเนี่ยนะทำไงสบัดเลยนะทิ้งญานิลงไปเลยแล้วก็รีบเข้ากุฏิปิดประตูนะหน้าต่างตัวสั่นเลยนะแล้วก็คืนนล้วก็นอนไม่หลับทั้งคืนตื่นขึ้นมาอาได้เวลาเชา้าก็ทําวัดอาตจะบินธบัดตอนนั้นไม่มีทําวัดเพราะมีภาพรูปเดียวก็ต้องบินธบาดบินธบัดก็ค่อยนะพอเดินลงมาจากกุฏิ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 แบบนี้เนี่ยมันทำให้หลายคนเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับสามวันเต็มเต็มสามวันตลอดสามวันนี่ก็เหมือนกับตกนรกเลยแต่พอมารับผลตรวจก็พบว่าไม่มีอะไรนะใจก็ชื้นโล่ง อ, อกเลยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเนี่ยเป็นเพราะความปรุงแต่งแท้ๆนะควรที่สามวันที่ผ่านมาควรจะอยู่อย่างปกติสุขกลับเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะใจนะใจมันปรุงแต่ง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 โดยเพราะเมื่อเกิดการกระทบขึ้นมาเช่นตายเห้นลูกหูได้ยินเสียงนะหรือว่าจมูกได้ริ้มรสหรือว่ากายได้สัมผัสเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นมันจะประกอบไปได้วยสส่วนปัจจัยสองส่วนเหตุสองส่วนก็คือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกคือลูกระดกกลิ่นเสียงสัมผัส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 ข โ, โมยโทรศพัพท์ขโมยรถแต่ว่าไม่มีใครที่จะข โ, โมยความสุขไปจากใจเราได้ถ้าว่าเราเป็นทุกข์ก็เพราะว่าใจเรานั่นเองเที่ไปไปบีบคั้นทําลายความสุขที่มีอยู่หรือไม่นะก็ไปเปิดช่องให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาย่ํำยีจิตใจเราอย่างมากก็ทําได้แค่นั่นคือเปิดช่องให้เขาเข้ามาทําร้ายจิตใจของเรา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 ขาที่เราตามลมหายใจขาที่เราเดินจงกรมขาที่เรายกมือสร้างจังหวะเราลืมครั้งแล้วลืมครั้งเล่าลืมแล้วลืมเล่า ว, ว่าเรากําลังยกมือเรากําลังตามลมหายใจเราลืมลมหายใจเราลืมอิริยาบถ ท, ที่กําลังทําอยู่แต่ว่าในขาที่เราเพลินอยู่กับความคิดลอยไปกับอดีตไหลไปสู่อนาคตเนี่ยสักพักเราก็เราลึกขึ้นมาได้ว่าเรากําลัง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 เราลึกได้ว่ากายกำลังทำอะไรอยู่เราลึกได้ในอีเลียบทของกายก็ทำให้กลับมาดึงจิตกลับมาสู่ปัจจุบันดึงจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจิตอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความรู้สึกตัวถ้าจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตหลไปอดีตลอยไปอนาคตจมอยู่ในอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกตัวแล้ว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 นะจมเข้าไปในในในโทสะนั้นแล้วก็ถูกความโกรธเผาลุนจิตใจนะอันเนี้ยเรียกว่าลืมใจนะปล่อยให้ใจถูกเผานะแล้วก็ปล่อยให้ใจเนียมันถูกเผานี้ไปเรื่อยๆจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะจนความดันขึ้นหรือว่าสุดท้ายก็ต้องระบายความทุกข์ใส่คนอื่น แต่ก่อนที่คนเราจะระบายความทุกข์ใสคนอื่นเนี่ยมันมันทําร้ายตัวเองก่อนด้วยความลืมลืมใจพอให้ใจถูกเผาแล้วพอลืมใจมัก็ลืมลืมกายนะมันไปด้วยกันเลยคนเวลาโกรธเนี่ยไม่รู้หรอกว่าตัวเองทําอะไรนะการลืมกายลืมใจนี่มันเป็นปัญหามากนะแต่ถ้าเราไม่ลืมกายไม่ลืมใจเนี่ยจิตใจจะสงบจิตใจเลยเป็นปกติ เมื่อเราไม่ลืมกายไม่ลืมใจเรามีความเรารึกได้อยู่เสมอเราลึกได้เรื่องกายเรื่องใจงแล้วก็มีความรู้สึกตัวเมื่อความรู้สึกตัวเกิดขึ้นใจเราก็โปร่งเบาความรู้สึกตัวทุบพร้อมเนี่ยหลวงพ่อเขียนท่านเน้นมากนะว่าเนี่ยเมื่อเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยใจมันจะปกติใจมันจะโปร่งเบาเป็นภาวะที่ไม่มีการแบกไม่มีการยึดนะอันนี้แหละคือคือ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 ทำอะไรก็ตามเพราะแรงขับของตัณหาเฉ่นอยากได้เงินอยากหวังเงินเดือนอยากได้ชื่อเสียงเนี่ยมันทําได้ชั่วคราวแล้วมันก็เหนื่อยหมดแรงหรือว่าทำไปเพราะอํานาจของความโกรธนะมันก็ทําได้ประเดียวประดาอย่แต่ว่าถ้าเราทําด้วยโดยมีความสุขเป็นแรงขับเคลื่อนเนี่ยมันก็ทําให้เราทําได้ต่อเนื่องมันไม่มีคําว่าท้อไม่มีคําว่าหมดแรงนะเราทํางานเพื่อส่วนรวม ถ้าเรามีความสุขนะเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยก็ทำให้เราทำงานได้ต่อเนื่องแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยแม้จะทำงานเพื่อส่วนรวมแต่ว่าทำตนไม่ต่างจากพัดลมนะพัดลมเนี่ยนะมันทำมันให้ความเย็นแก่คนอื่นแต่ตัวมันร้อนชั่วโมงแรกก็จะไม่เท่าไหร่นะแต่พอผ่านไปสองชั่วโมงสาชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยความเย็นอาจจะยังมีอยู่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 เมื่อ3ามสี่วันก่อนคณะนักบวชหมู่บ้านพรมก็มามามาสวดมนต์ให้หลวงพ่อแล้วก็มอบลายมือลายผู้กันของหลวงปู่ติดนัดหันให้กับทางวัดท่านเขียนว่า mindfulness i source a s of happiness สติคือแหล่งแห่งความสุขท่านใช้คำว่าอ่ะนะไม่ใช่คำว่า the แปลว่ารหล่แหล่งแห่งความสุขเนี่ยมีเยอะ สติเป็นตัวหนึ่งสติเมื่อมีสติมก็มีความสึกตัวมีความสุกตัวจิตก็เบาโนะปร่งสงบมันก็ทําให้เป็นเกิดความสุขที่ที่ลุ่มลึกนะและนี่คือความสุขที่สามารถจะออกมาจากใจเราแล้วก็หล่อเลี้ยงทําให้เราเนี่ยสามารถจะทํางานได้อย่างต่อนเนื่องหลายคนทํางานแล้วเนี่ยก็หมดแรงหมดแรงเสร็จต้องไปฟังเพลงต้องไปดูหนังต้องไปกินเหล้าหรือว่าต้องไปอ ต้องไปเติมความสุขจากภายนอกต้องไปเที่ยวจึงจะค่อยมีแรงนะมาทางานต่ออันนั้นก็ดีนะอย่างน้อยก็ดีที่ไม่ไปหาเล่า ไ, ไปหาอบายมุกแต่ว่าเราต้องไม่ลืมว่าเราสามารถที่จะผลิตความสุขได้จากภายในเราทุกคนนี่ไม่ใช่ดวงจันนะเราคือดวงอาทิตย์นะดวงจันเนี่ยมันไม่มีแสงของมันเองใช่ไหมด ว, ดวงจันเนี่ยมันสว่างได้เพราะอะไรเพราะมันอาศัยแสงจากภายนอก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 เราก็จะสามารถที่จะทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงราบรื่นเจอความเจอความป่วยเจออุปสรรคไงก็ไม่หวั่นไหวนะเวลาป่วยหนักนะใจก็ยังเป็นปกติได้นะป่วยแต่กายแต่ใจสงบนะอย่างที่หลวงพ่อท่านได้เป็นแบบอย่างนะอันนี้แหละนะคือคือสิ่งที่อันนี้ส่งสคัญมากที่เราจะได้นะจากการ มีสติมีสมาธิมีปัญญาเอาคำนี้ก็พื่อเท่านี้นะเอากราบพระ